นั่งเอาท่าสบายกันนะหลับสบายเลยนะเอ่าสบายท่ากัอ น, นะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะตรงกับวันที่22สิงหาคม2547จะเป็นช่วงเวลากลางวันที่เราตั้งใจกันว่าจะศึกในด้านของอภิญญาสมาบัติ แต่ก็เปนนวทางที่หลายๆคนก็เกิดฝึกฝนกันมามากแล้วบางท่านอาจจะไม่เคยฝึกกันมาก่อนเลยแล้วก็ฟังไปนะคิดว่าเราปฏิบัติเคื่จิตเราเป็นสุเถี่ตรงนี้เป็นหลักสําคัญ น, นะรานอาจารย์ท่านจะแนะนําในการเจริญด็พระกรรมฐานประกอบที่เราจะจริเด็นพระกรรมฐานเนี่ย เราต้องชำระจิตใจใของเราให้ผ่องใสก่อนาการพี่ทใจเพเราให้่องใสมาโยงต้นที่ือหันหามาหาคามจริงในสิ่งที่ปรากฏกับเราโดยเฉพาะคำว่าทุกข์ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรบ้างเราก็ต้องคิดดูาการเศ้าหมองทำเวลาเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์ ตามตวเพลียพยานก็เรัยกวันหาทำให้เาเป็นทุกข์ไหมนั่นก็เป็นทุกข์การยึดมั่นหมายมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นทุกข์ไหมนันก็ทำให้เราเป็นทุกข์แรงของอคติศัลกรรมให้ผลแต่รับเป็นทุกขออกกรรก์ไหมนั่นก็เป็นความทุกข์ดนงตามทุกข์ที่เกิดจากเ ส, สี้ยนสี่ประการเป็นสําคัญ มันได้อาตายลนวซึ่งการเป็นมนุษย์ที่ เ, เราท่านๆกำลังเป็นกันอยู่าการเศร้าหมองมันก็มาจากร่างกายที่มันเสียแทงเราดูดคำเราเพราะตามแปรเปลี่ของทาบขันของมันจนเวลาติดมีการร้อนสูงน้ำน้อยไข้มันก็ขึ้น พอเข้ามันขึ้นจิตเธอก็มีความสิขเศร้าหมอง อ, อึดอัดกระจัดกระใจแล้วรนนะอารมณ์ใจมันก็ให้ไม่มีความสุขความเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วพอความเศร้าหมองไม่เกิดขึ้นมันก็ทำาห้เาไม่มีความสเมุเลยเนื่องกระโดยประทุกแล้วความทุกข์อันเกิดจากร่างกายที่เสียแทงเราไม่ว่ามันจะมาจากอาหารก็ดีมาจากกา ร, ปรเปลี่ยนของ อากาศก็ดีน้ำก็ดีด้วยภาตุไฟของเราใรรนะร่างกายของเราก็ตามเรียงตามยล้วมันมาจากร่างกายของเราดีกว่าพูดกันง่ายๆร่างกายมั น, ม, นมันไม่มันคงหมายความว่ามันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ามาเมื่อรียงขึ้นมามันก็ทําให้เราเจ็บปวดแค่ไม่สบายทำให้เร า, าเกิดความเสื่อมของผิวหนังของร่างกายทุกเสื่อม แม้สิ่นั้นไม่เป็นประจำที่ใเราเคยเปนอยู่ผิวไม่สวยผมไม่งามทุกอย่างเรื่องในร่างของเรามันกตกตรวเปล่ยนไปไปในทางที่ไม่ดีเราก็มีอารมณ์ใจเศร้าหมองถ้าเราไม่มีร่างกายนะหีือว่าร่างกายของเราสวยสวยงามจะที่ไม่มีที้ไม่มีเดียวสวยงามมาก อย่าง น, งน้อยก็เหมือนข้เจวดาลังฟ้าถ้าร่างกายประดับดังเทวด า, านะลังฟ้าน่ะจะเป็นความเศร้าหมองเกิดจากร่างกายไหมถ้าผิวพรนของเราก็ะเตลต่างสวยงามมีรักษณะเฉวียงเฉวอยแต่เราก็คงไเศ้าหมองกับมันแต่นี้ร่างกายของเรานั้น มันเรือร่างของความตกกระกทั้งสิ้นเป็นเรือร่า ง, ง, ง, งที่จำรูปปั้นแม่แม่นอนจาลเปลเี่ยนเปลี่ยนไปแต่ เ, เรือร่างที่สุดท้ายมันก็ต้องอันตรธานสลายไปไม่มีอะไรเจนเลยเน่ยที่เรากําลังครองมันอยู่คืออาศัยมันอยู่มันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์เกิดความเศร้าหมองอยู่ตลอดอราก็พิจารณาตามไปต่อว่า ถ้าเราหมดร่างกายนี้ไปแล้วใจเราจะไม่มีเรื่องเศร้าหมองเลยจะไม่มีความเศ้าหมองที่เกิดขึ้นต่อร่างกายอีกต่อไปเลยเรนนี้ใจเราจะเบาขึ้นไหมเบาขึ้นเยอะทุกที่เกิดขึ้นเพราะความตศ้าหมองที่มาจากร่างกายของเรามันไม่เกิดขึ้นกับเแล้วใจก็จะมีอิสระมีความจกมากขึ้นเยอะเมืนนอนย่างที่ เ, เรากำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะ พระองค์กำลังใจไม่ถึงพระฤกษ์ผสมขององเสด็จพระคนาสีบศาลมัสสัจดาสัมาสัมพุทธเจ้าที่เราทรงให้เราได้เห็นความจริงว่าร่างกายมันเป็นเร่ร่างที่ไม่ยั่งยืนจนเรื่อร่างสุดท้ายมันก็จะต้องอันตรธ า, านหายไปจะไายไปไม่มีอะไรเหลือให้เราได้จับแต่ต้องบ้าอีกแต่ตอนที่มันมีอยู่เราก็รู้ได้ชัดเจนใยตัวของเราเองว่า มันเสียดแทงเรามันทรามาเราเดี๋ยวมันปวดพัวเขา่าเดี๋ยวมันปวดที่นั่นเจ็ที่นี่เดี๋ยวปวดตัวซระตัดซระปวดสารพันกายทั่วไปหมดมันเพื่จะไมีเวลาว่างไว้ให่เราได้พักผ่อนเลยแต่จะเกิดทุกอย่างยาของมันจะ ท, ทุกเรื่งรางตั้งแต่ปลายเส้นผมจนถึงฝ่าเท้ามันทําให้เราสามารถจะทุกได้เสมอ ทุกวันทุกคืนจนเราบางครั้งเกรียดมันมากกดอัดกันมากมันเกลียทางเรามากเกินไปมากจนเราทบจะคนมันไม่ได้ต้องรู้ที่จะไปรักษาเสีอพยายามแล้วพยายามเล่ามันก็ไม่สามารถจะทําให้ดีวันดีคืนมันจับแย่วันแย่คืนมาไปเรื่อยๆเมื่อคืนเจวารางก่าพระพุทธเจ้าเป็นตรงตรัสว่า อย่าไปยึดถือมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเจะไปยึดยถือมันจะต้องโง่ที่โง่พระอะไรของไม่ดีทํำไมจะยึดของเสกปรกทั้งนั้นไปยึดถือมันเอาไว้ทำไมของที่มันเหมือนจะเป็นโรคอยพุ่งแทงเราตลอดเวลาจะเห็นมันเป็นของดีกับเราเพื่ออะไรสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเลยให้เราได้เห็นมติก เหมือนกับเธอที่ไปจบคนอื่นที่ก็าตายแล้วตายใหม่ๆเก็เหงื่อเรือร่างของเขาหยู่นอนแน่นิ่งสงบไม่ไหวตึงผ่านไปไม่กี่วันมันก็เน่าอึดเริยมส้งกิ่นเหม็นไม่กี่วันเขาเข้าเรือร่างหนี้ไปประชมเพลยใส่คอนไม้ใส่ผ่าลนลงไปเผานานไปไม่กี่ชั่วโมง มันจะกลายเป็นขี้เท่าแล้วจะเกิดกระโดกที่เป็นเศกระโดกของขี้เท่าเล็กกน้อยๆที่เป็นนานไปไม่นานเข้าขี้เท่าเหล่านี้ ก, ก็กนบแล้วเป็นละเอียดจึงกลาจเป็นผงธุรีนานไปนานไปไอ้ผงธีเหล่านี้ก็กจะแตกกระจายจนกลายเป็นพื้นแผ่นนี้ <m uch ing> แล้วแต่จิตของเธอคือว่าที่จมมานกาย ที่หลุดลอยออกจากร่างกายนี้ไปตัว น, นี้สมองพระพุทธเจ้า จ, จะประรมายากดระดาที่จะทำให้เราได้เห็นความจรงิงว่าความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีมันสักอยาก่างเดียเราคงไม่มีจิตเศร้าหมองความเพลีพยาและความอยากทั้งหลายเราคงจะละไปเยอะแค่เรื่อ ง, งกินก็รับไปมากถ้าเราไม่หิว ไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องตกงแต่งไม่ต้องแสวงหาลดไปเยอะถ้ า, ร, าร่างกายไม่เจาะกบกลดพลังเราไปอีกเยอะไม่ต้องคอยมาลงตกแต่งที่นั่นที่นี่ของมันถ้าร่างกายของเราหอมเจ๋เหมือยมันก็ลดลงไปอีกเยอะย่งร่างกายขอเราไม่เสื่อมเลยไม่แต่เติมไปเลยยิ่งลดพลังของเราไปอีกเยอะมาก งกาเที่เราไม่มีมันเลยเนี่ยดีที่สุดไหมดีที่สุดดียากเยี่ยมเราจะไม่ต้มาเศ้าหมองกับมันนักจิตตามเศ้าหมองนั้นมันโดงอคติสากรรมเข้าใจใจแรางมากเึ่นเวลาร่างกายเรามีการกายเสียแผงขึ้นแผงเราเจ็บปวดทรมันจิตมาเศ้าหมองพอจิตมาเศร้าหมองอารมณ์ใจมันไม่เด็ดบาด ีูตาม น, นี้ความคิดมาเริ่มปูสร้างอาคุณละกังที่เราทําไว้ในตะการก่อนมันก็จะเข้าหลมเล้าทำให้จิตใจของเราคิดจกาารกสับกระส่ายะปนาประการสร้สางทุกข์สร้างโทษสร้างอารมณ์มกําลังหดหนิดง่ายโมโหง่ายหยัดยันชั่งใจงยากไม่ใชสิ่งที่มันตามเรามาอีกดังที่อารมณ์ใจเราต้าหมอง นั้ร่างกายมันจึงเั็นที่ประชุมเป็นที่โรวมแห่งทุกทั้งหลายที่มันไม่ควรจะตังเกิดมีกับเราที่ได้อาศัยพระบารมีขององค์พระเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทําให้เราได้เห็นความจริงในข้อนี้และเธอก็ทรงชี้ทางเดินไม่ไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มั่นคง ตามจริงต้องมั่นใจและช่วยอย่างเด็ดขาดว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ของของเราสิ่งนี้มันไม่ควรจะมีกับเรามันไม่ควรเปเราเราไม่ควรจะต้องมันเป็นตัวเราไม่ควรเอามันเป็นของดูสาหรับเราแต่ใจมันไม่ขาดไปเลยว่าฉันจะอยู่กับมันจนร่างสุดท้ายร่างกายนี้ฉันไม่ต้องการกลับมาประกอบเป็นร่างที่จะมาเป็นหญิงเป็นชายเปวันละเทพันอย่างไร นีรโรคสมนิมพันธอย่างไหนจึนไม่ต้องการมาอาศเร่องร่างแบบนี้ที่ต่อไปถ้เราตัดสินใจให้มันคงเด็ดขาดเพราะพระเจ้าก็จะทรงเห็นเราทัดที่ชัดว่าอะไรพรองคทรงเห็นเราอยู่แล้วแต่คําว่าทัดเกิดเห็นใจเราเส่ยทัดขึ้นเห็นความสุที่ปรากฏในใจขอเราเริ่มปรากฏแล้วเริ่มมีกาลังแล้ว เราก็เห็นภาพพระพุพธทธองค์ชัดขึ้นในใจเราตามดีที่พระองค์ทรงเล่าตาสงข้อสั่งสเรามาก็เห็นชัดขึ้นตามแววตาที่พระองค์ทรงโงยตัดสัสตสว์เราก็เห็นนาา้ำพระทัยของพระองค์มากมายปรากฏในใจของเราชัดเจนยิ่งขึ้นแต่และาน้อมจิตใจของเรากราบพระพุทธองค์ และข้าตั้งมีเจตนาแตาปันาที่อธิษฐานใจของเราลงไปขออามาพระบารมีของพระองค์คอบคุมรักษาใจของข้าพระพตทธเจ้าโดยเถิดพระพุทธเทจ้าข้าขออิฤฤฤฤฤทิีริทิพุทธะนิพพางขอเดชะขอชังขอเดชะจะจบมาเป็นที่พึ่งแห่งมะอาปุก คือข้าพระพุทธเจ้าให้โดยปรากฏมีกำลังได้อานาจแห่งพระพุทธานุภาพที่ครอบคุมปกปารักษาห้อมล้อมข้าพระพุทธเจ้าในการระดับตนนี้ ก็มองตาในคามรู้สึกของใจเราตอนนี้ว่าเรื่องร่างทั้งหลายที่เคยเก็บแทงเราเราไม่ใส่ใจแล้วแต่ตอนนี้ใจของเราที่ปรากฏในรูปและเรูปองในจิตในรูปในนามโดยอือย่งคืออริสมากายจหรือธรรมกายก็ได้ปรากฏให้เราได้สัมผัดโรู้ถิงซึ่งความจริงว่าตัวเราอยู่นี่ ตัวเราจริงๆเปนอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปดวยขี้ไม่ได้เป็นไรด้วยของตกปกไม่ได้เป็นไปกับสิ่งที่หน้ามันเกลียไม่ได้เป็นด้วยความเจ็บแทงทรมานไม่ได้เป็นโรคสิ่งที่นํามาตึงนตาเส้นสมองตามทุกทั้งหลายจะเป็นร่างกายที่โปร่งสบายเบาสบายร่างกายที่ใสสบายเสลียวจดเงียบ ร่างกายที่ไม่มีอะไรเลยทำให้เราต้องทุกข์ควาทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งจะทําได้เรารู้สึกทุกขไม่มีเลยคนที่เอาใจร่างกายจิตตายจากความเป็นมนุษย์ทุกคนถ้าจิตของเธอทั้งหลายหรือบต่คนเหล่านั้นจิตใจจมใจไม่อย่างเธอณนะเวลานี้เธอก็ถือเป็นมุษย์ทุกคนที่เอาใจร่างกายจะมีความสุขมากไม่ว่าใครจะคิดโดยมากคิดโดยน้อยแค่ไหนก็ตามเป็น จะเมื่อขณะเดีวที่จิตเขาหลุดออกจากร่างโดยแรงที่จิตของเขามีโก้สนให้ผลไม่เหมือนที่เกิดเป็นกันตอนนี้เข้าหล่านั้นหรือบด็กคนหลับนั้น้ย่อมจะมีความดีใจมากที่เขาไม่ต้องมาเป็นภาพของร่างกายเขามอนในร่างกายของเขาด้วยความน่ารังเกียจด้วยความรู้สึกขยักขยแยงด้วยความรู้สึกไม่อยากจะกลับเข้าไปอาศัยมัน ที่ทำให้เราต้องทุกข์ทรมานถ้ายิ่งบด็กคนที่เห็นทุกข์มากเท่าไร่ก็ยิ่งจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นตรดตัวของเราเป็นตัดตัวทําลายความตกของเราอย่า ง, ย, างยิ่งไม่ใช่ใครเลยแต่นักจาก บ, บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เมามาหมกมุนนมนมนกม่นกับมันอีกแล้วเราจะตามพระพุทธเจ้าไปในที่ที่พระองค์ทรงเล่ากาประสงค์ให้เราได้ไป สถานที่ไหนหรือว่าที่ใดที่พระพุทธองค์จะทรงเมตาตร ง, งข้อะแก่ข้าพระพุทธเจ้าขอได้โปรดประทานให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้ไปณสถานที่นั้นสามารถสัมผัสและเห็นได้ชัดเจนจำใส่ใจความเป็นจริงดยพิชิบา ร, รณีของพระพุทธองค์ขอกําลังบารมีของพระพุทธเจ้าช่วยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้สามารถมีกําลัง อันสว่างไสวรู้และก็เห็นสัมผัสจึงทั้งหลายได้อย่างชัดเจนตามตาเป็นจริงเป็นอัตราโดยเทิดพระพุทธเทจา้าข้าที่ใาที่ใจละมือตาไม่สิกถ้าใครไม่รู้สึกตาไหลก็จะรู้สึกกระจายละโปรง่ปรงๆนั่นคือตาไม่ติดอย่างหนึ่ง ถ้าเรามีาภารสิทธิสัมภาษณ์ดแล้วก็จะรู้ว่าที่มันมาเป็นยังไงแต่ถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็ม่าจะไปชด้แจงางจักใจวางใจของเราไปเฉยๆเราเห็นอะไรชัดเห็นทุกชัดเห็นความจริงที่เกิดจากการที่เรามีร่างกายชัดเห็นชัดไม่แบบนี้เห็นความทุกข์ที่มีร่างกายที่ทําเวลาต้องทุกข์เห็นชัดไหมเห็นความวุ่นวายในทั้งหมดทั้งเรื่องราวต่างๆอันเป็นภาระ ที่เราต้องเกิดเจอกันมาต้องเกิดเกิดกเป็เนถึงปัจจุบันสร้างความทุกอย่างมาหันไม่ว่าจะเรื่องอะไรตอนนี้เห็นชัดไหมเราเห็นอย่างนี้ชัดเห็นอย่างนี้ชัดเราสาคัญถ้าเรือ่องนี้ยังไม้ชัดเรากระเห็นคามเดีของพระพุทธเจ้าชัดขึ้นดังน้นพระรูปพระโฉมที่จะปรากฏในความเป็นทุกข์ักขุก จะเกิดได้อนาตมาจิตของเราที่มันยังไม่พอดีที่จะเห็นภาพก็ตามไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลอย่าเสียรเรื่องนี้เป็นสำคัญให้ผีปัญญาของเราที่เห็นความจริงเป็นสำคัญเพราะมันจะเป็นเครื่องฟ้องใจของตัวเองว่าใจของเธอเนะ่ยบริสุทธิ์แล้วหรือยังใจของเธอมีกำลังแล้วหรือยังต้องตัดสินใจนะตัดต้องตัดให้ขาดคาว่าขาดไม่มีความว่าลังเลสงสัย เชื่อยังสนิทใจว่าถ้าท่านมีมันท่านพุกยักเยินท่านทุกตลอดตั้งแต่จรงตามได้มันเด็กท้านละมาตลอดเวลาแต่ท่านม่มีมันที่ไม่มีร่างกายถ้าจะมีความสุขมากแม้แต่เทวดานาังฟ้าท่านทั้งหลาย ท่านอยู่บนสวรรค์ฉันดาวเดงนไปเทวโลกบ้างฉันจ่าเตมาราศบ้างฉันเดจิดบ้างชั้นมายาบ้างประดมที่รับปรักดูบ้างมนุษย์มาเราดูบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้กระทั่งขุมเทาวาดาในเทาวเวลาที่ตกปาราสัตวคุ้มคองโลของเธอเลูกกับเทาวาดาที่อยู่ตามต้นไม้ที่มิจฉานสดนว่าท่านหล่ า, ลานั้นมีความเป็น มากสุขที่ปราศจากสิ่งที่เสียแท่นขั้นสุขที่ปราศจากภาระที่วนวายกับร่างกายไม่มีโลกโฉนมพันธุ์ของท่านหรืออจิจมันกายที่เป็นดั่งเทวดาและอนางฟ้าจี่ังขอท่านบดกปรากฏให้เราได้เห็นเทวดาองค์ไหนก็ดีนางฟ้าองค์ใดก็ตามที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราตลอดมาเป็นท่านผู้นี้ก็คนใหญ่ หรอเพรมก็ได้ท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่นานคอยดูแลรักษาเราตลอดทุกย่างก้าวไม่ว่าเราจะทําอะไรท่านจะมีกระหางไปเราเลยความดีที่เกิดขึ้นกับเราท่านกมลนาตลอดความไม่ดีเกิดขึ้นกับเราท่านจะรู้จึกกระจะปกป้องคุ้ม ค, มคมรองตลอดเวลาหากท่านองค์ใดองค์หนึ่งท่านมีจุดเมื้อตาต่อข้าขพ เ, เจ้าขอได้กปดกดตากดให้ได้เห็นความศุกดของท่านความศักดิ์จการที่มีภาตขัน เอาความรู้สึกของใจเราก็ได้การลึกถามท่านว่าการไม่มีร่างกายในอยา่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ถ้ามีความสุขอย่างไรให้อธิบายให้ฟังหน่อยเพความสุขของท่านจากการไม่มีร่างกายในอย่างที่เราเป็นอยู่นี้มันเป็นอย่างไรที่อธิบาย ใ, ให้เราฟังหน่อยนะเอ๊ะ อรามีคามรู้สึกภายในใจไหมยินดีเสนคำว่าสนุกมากเลยเป็นคามสนุกมากเกิดกับการที่ไม่ต้องแบกภาระอะไรอยากไปไหนก็ไดไปล่องลอยไปไหนก็ได้นึกจะไปทไหนก็ไปที่นั่น อยากเหนอะไรก็เห็นอยากรู้อะไรก็รู้เห็นจะเจอกับเห็นจะรู้อะไรไม่กว้างกวนะ้างนักแต่ก็สามารถรู้ได้ดีกว่การมีร่างกายอยากรู้ใจคนก็รู้จะรู้ความเป็นไปของคนทั้งหลายก็ทราบกระฐานชื่ที่เรื่ อ, องอเมริามตก มันก็เด็กเยี่ยมในตัวสิ่งวิเศษนักนามไม่มีของตกปลวกตกเตื่อนไม่มีสิ่งที่ต้องไปทำมันให้เกิดขึ้นไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ต้องปลูกต้นไม้มนุษย์พยายามทำของหอมมต้องตกแต่งร่างกายให้ดูดีม น, นต้องสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยมนุษย์จะต้องมีภาหาระในการเชื่อใจเองคลายความเหนื่อย ของการเดมนไม่ต้องทํา ง, งานเพื่แลกเปลี่ยนกันไมน่ต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบมากกว่ า, าบบท่านบอท่านเป็นเทวดามีหน้าที่เกับตึ้งจะเป็นหน้าที่มันเป็นเฉพาะไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรจะเป็นหน้าที่ที่ทำพอใจแต่มนุษย์มีหน้าที่จำยามต้องทำ เป็นหน้าที่เสร็จอยู่ ด, ดั้งคัดต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้เป็นตามจัด ก, การยากมากมายไหมเพราะการเป็นมนุษย์อย่างเราๆนี่ยเราอย่า ม, มาโมงเราเอ้ยนั่มันสุขไอ้ั่นมันดีท่านมองเราเนมันต้องบอกว่าขี้มากคือไม่มีสาระเลยไม่มีความหมายเลย จะเราไม่เมามันกับมันเเกินตกแต่งอย่างนั้นปาพนาอย่างนี้จะมีออันี่จะทำไอ้นี่แล้วพอเราอยู่กยใกล้ใกท่านเบสิวัคติสมรารการของเธอที่มีจะดูไปว่าสึกเราจะเบาสบายไหเหนึ่งท่านไหมตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนนี้เมื่อปรากฏเป็นอคติสมาาการ คิดมันท่านมะถก็มันสบายดีกว่าเยอะเลยจะยกตัวลอยตัวจะก้าวเท้าเดินจะมองอะไรจะเห็นอะไรถ้าในใจเป็นชุดของใจต้องการจะมองเห็นใครที่ไหนก็เห็นหมดโลกหมดทั้งโลกก็เห็นจักรวาลทั้งจักรวาลก็เห็นดวงดาวที่ดวงดาวก็เห็นใครอยู่ที่ไหนต้องการจะเห็นก็เห็นหมดใครคิดอะไรยังไงก็รู้หมด ตรงนี้มันสนุกไหมจะเกิดพวกความสนุกของคามเป็นม น, นุษย์จากเวดาเทวดาสนุกไปเยอะจระจายไปเยอะคุณธรรมของเทวดาท่ามนมีอะไรมากมาจากฮิลิโอตตาต้องเกรงกลัวความเชื่อต้งเกรงไม่ตามที่จะทำตามเชื่อนึกถึงที่จะทำจากตามดีกลัวผลของต า, ามเชื่อให้ท่านเคยทำแล้วจะให้ผลจึงพยายามนึกถึงอีกต่อไป นึกถึงแต่สิ่งทีเป็นโคตรเห็นเข้าไว้ให้มากที่สุดดันท่านจึงอยู่ได้อำนาจของบนอันคคีลกรรมไม่ถึงท่านไม่ว่าจะเป็นแรงบรนดาลไม่ท่านจะต้องทุกข์ใจด้วยเรื่องราวต่างๆที่ท่านต้องดูต้องเห็นถึงท่านเจอเห็นลกห็นหลานของท่านในตอนที่อยู่เป็นมนุษย์ในตามเดือดร้อนก็ไม่ทําให้ท่านต้องทุกข์ใจด้วยแรงอัคคีลกรรม แต่จะมีความทุกข์ใจกระทบความเป็นห่วงมันใหญ่เท่านั้นแต่ถ้าเราเปมันดวยกันมันมีความทุกข์ใจที่เกิดจากแรอักรณ์และกรรมให้ผลแล้วมันแตกต่างกันเยอะเรามองภาพเปรียบเทียบอย่างนี้เราจะได้มีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอ็นใจนักถ้าร่างกายนี้มันพังเราจะมีความสนุกมากนัก ถ้าเราไม่ต้องมาเป็นที้ข้ากับมันไอสิ่งที่เราเคยโมเมากับมันหลงไหลกับมันแล้วก็คิดโต้ต่างๆนาๆนาตาหนิโน่นโทษเราโทษเขาโทษมึงโทษกูพทษอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นเทว ด, ดาตอนนี้แล้วมองดูมนุษย์ของเราทําแบบเนี้ยเขาจะเห็นวาะนะ่าเป็นบบปะหมที่ มันไม่ต่างเลยจับขี้คือไม่มีตาระไม่มีความหมายก็เป็นของที่ไม่ควรจะเอามาคิดมาเอามานั่งจิตเอามานั่งกัวงวลใจเลยถ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนที่ต้องแบกทุกข์รับทุกข์เสวยทุกขเคยพนาทั้งสิ้น จ, นจะเทวดานางฟ้าท่า น, น, นไม่ต้องเสวยทุกขเคยพนาไม่ต้องรับทุกข์เสวยจะสุขรับจะความสุข ที่พค่เวดานางฟ้านะยังมีความสุขมากถึงเพียงนี้ถ้าเป็นพระวิสุขจิเทศที่พระพุทธ เ, เจ้าประพักอยู่ที่พระอ า, ารามทั้งไหนท่านได้อยู่กันเป็นแดนนิพพานจะมีความสุขแค่ไหนแค่ไต๋หวังกับการลดจนมันโค่นฉันกันแล้วนะอย่าประเปรียกิดเกลื่อนระวังขี้กับข้าวนะ ต่างกันเยอะ้นเบ้าๆทำไมตอมเนมนุษย์เนี่ยมาไล่สาระไหมลองล็กิมไล้สาระไไม่มีสาระลไม่มีสั่นไม่มีสานไม่มีสิ่งที่มันควรจะไปจึดมั่นหมายมั่นเอาอะไรกับมันเพรอย่างเดียวมันก็ขี้ จะมาทับไหมนะที่ดีๆนี่แหละที่ที่ไม่มีอะไรใครทีอยากจะได้เลยอ่ะเทดาเนี่ยแั้แต่คนที่ตายจากความเป็ออกไปแล้วเห็นร่างกายของตัวเองไม่อยากกลับไม่อยากเข้าไปใหม่ไม่อยากอาศัยมันอีกเลยเนะราะว่าตามไปเข้ามาเยือนเถิดโชคดีไหม แล้วทําำไมว่าตามตายไม่เยน็นวันไหนทําไมเมื่อรบใครแค่เจ็บมันเข้ามาเหยี่รเราวั น, วนไหนมันทาอะไรกูมันทําไมถ้าตายจะหนกถ้ามันจะด็กอะไรแล้วมันตายไปแค่เด๋วนี้คนอยู่ก็ทําไปแต่เราละสบายล้ะสนุกแล้ะอย่างน้อยถึงไม่ ไม่เด็ดไปเจอพระนิพพวนเราเป็นเจ้ดานังฟ้าก็สนุกได้หลายแล้วเบาสบายแล้วนี่เราไม่ต้องหวังสูงหวังแค่นี้ก็มีความสุดเลือเกินแล้วเราพอที่สามารถจะดำเนินของเราต่อไปได้ อ, อีกมันง่ายแล้วตกไหมมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแ ล, แล้วเราไม่ต้องกัวงวลกับสิ่งที่เป็นชีวิตของเรามากนักแต่มองว่าชีวิตนี้มอะไรสาระชีวิตอย่างนี้ก็มีความหมาย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่มีความหมายสำหรับเราถ้าไปเฉลีเชี่ยวกัทรัพย์สมบัติของเทวดานางฟ้าเทเดชสัทธิ์ที่มานของท่านจะเกิดเองเพียงแค่บุนะบุญึ่งเพียงแค่โมทนาไม่ใช่ลงทุนเองนะยกมือโมทนากับเขาที่เขาได้ทําบนสร้างเสนาสนะสร้างโบสถ์วิหารการเจระเวอย่างนี้เป็นต้นหร้อสร้างที่พักให้คนได้อาศัยเป็นสาธารณประโยชน์ก็ตาม ที่มันของท่านเน่ะเดียวกับ บ, บ้านของท่านก็ได้ของเราได้ขี้นะขี่เหมือนกันใครบอกเครื่อหัสงามตร้างราคาอย่างแพงใช้วัสดุอย่างดีอย่าไปเอาไปเทียบเลยนะอเทียกไม่มติดร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับชนิดขี้ลื่อน เ, เลยนะกินไปสู้กับนางฟ้าก็นะ นางฟ้านี่คิ้วขี้โหลยังดีต่อมนุษย์ที่ว่าสวยจดนักงานมากที่ปุดที่เขาว่าสวยแล้วนะเอาเราไปเทียบกันได้ไหมเนี่ยเทียบได้แต่เทียบยังไม่ถึงกันแน่ใช่ไหมดูกันได้เลยว่าต่างกันเยอะใช้รสน ม, มพันของท่านที่อยู่ของท่านสถาน ท, าที่อยู่ของท่านความสุขของท่านของเราเนไม่จะมาเทียบกันเลยอาย ที่คุยก็มีนั้นดีนั้นดีเนี่ยอายนะเตอะดาวหัวละเยะถูอยู่กับขี้มาคุยนะคุยว่ามีก็ดีเอ็นีีก็สวยเอน็กมีเอ็นเอ็งก็มากก็อนเสกี้เสกกระดาษเสกไม้เสกปูนเสกปิเสกินเสกเต่างๆะรเลานี้ท er. ั้ง <Lo> นั้น <zusammen> แต่กองที่กองเงินกองทองของเจอนั่นแหละเต็มไปหมดแล้วจะมาเทียบกับเราที่เป็นเทวดาถึงเราจะเป็นเทวดาต่ําๆแค่ขุมเทวดาที่มีคนน้อยที่สุดก็ยังดูจากเทหลายล้านเท่านะที่ไม่ของท่านจะเลือยเสื้อดินก็สวยงามกว่าบ้านของเจ้ที่มีสลักงดงามต่อไปเบ้านเจ้าร้างในกองคำทั้งหลัง ระดับเพชรนินจินดาขนาดไหนยังขี้นลึกขึนเลยเนือที่รุ่มมของท่านเพรา่ยของท่ามันโปร่งมันไม่เพชทองเนี่ยมนจะเป็นทองมันก็ยังเพชรถูกไหมเพชรมันจะเป็นตากายมันก็ขค่วงแคบแคดแต่ด้วยของท่านนี่ทองนี่ทองโปร่งนะนี่มาโดทองคำก็โปร่งทองคำเนี่ยแตสมวก้วก็ยิ่งโปร่งยิ่งสว่างเข้าไปใหญ่เพชทุกส่วนของท่านระดับประดาด้วย เพืงินกินได้เราเล่นมนุษย์อย่าไปเชื่อเหมือนเดิมไร้สาระในการที่เรามาจมเมชีวิตของความเป็นมนุษย์ื่อโง่ไหโง่เยอะนะโตรดก็ยคคุยางหากใชมอดานางฟ้าอย่านอที่สุดทต่สุบารมีออนสุ ก็ย yeah, okay, mm ัง hmm. ดีกว okay, Lo ่าเราเยอะเยะมากที่สุดใจเราเนี่ยเวลาคิดอย่างนี้ให้กรองใจตปวเองว่าเราไม่น่าโง่เลยยังไงก็ไม่โง่ะโบัดซใช่ไหมโง่ยงนเมาอยู่นั่นแหละไอเมาเนี่ยคือขาดสติใช่ไหมโมในติตามันก็จะเห็นใช่ไหมแถนทั้งโมทั้งเมาเลยโมเมากับชีวิตไปโมเมากับทัพย์สมบัตทั้งหลายไป จะเกี่ยวกับกายทำมันเพื่อให้เป็นได้เป็นได้มีได้ลงไปแล้วกระทบกับมันไปที่เป็นคามทุกของเราอย่างยิ่งโยอแล้วนะที่เรามันหลงไหลกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นของดนที่เกิดดามฟ้าทำลายทุกเมลแล้วมั่น่ะจบประมาณอะไรแล้วสุกสุกกินข้าวอร่อยอร่อยอย่างดีสะอาดสะอ้านอาหารจานทํามายังดีมากเลิก เขาเค้กินดัเสร็จแล้วคายออกมาเหมือนจะของปกตออกมาจากปากของเธแล้วก็เริ่มหลนลงไปแล้วก็มีสัตว์อวินขหองดีมันโอ้โหเนี่ยอาหารยอเลีเลยดีมากอะไรสุดเยี่ยมยอดในชีวิตไม่เคยเจอเจ อ, อย่างนี้เลยแล้วถ้าเธเห็นมันสัตมันพูดกันแบบนเนี้ยเธอคิดยังไงนะเถหน้าสงสารนะ นั่นแหของที่เราขอออกมาจากปากเราแล้วนะอ่าดีไม่ดีหลุมาจากก้นเราเนี่ยนะเลืมันลงไปถึงพื้นพวกอุ้งเขไปหาตัณใหญ่ไม่อ่านเรืได้ของเรามาแล้วของดีของเรามาแล้วจะเป็นขนพูดเป็นขนขนไต้ขนไตอ่าเราจะมองเห็นพฤติการรู้สึกยังไงหน่าสงสาร เทวดาแนวฟ้าทั้งหลายเขก็สงสารเราจับใจเลิกตื่นสงสารที่เรายังมัมเมายังหลงไหลมนอยู่อย่างนี้นี่เองจัดใจได้ไหมถ้าเราโง่จริงๆริงัดใจได้นะว่าการเจตน์นึกของเราจะไม่คบค้าสมาคมกันมาอีกต่อไปตั้งใจได้ไหมว่าเราจะเลารพจริงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริง ทาใจได้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยที่จกลั่จริงทั้งสิน้นเราจะไม่เสียอีกอแล้วเราจะไม่บ้าไปตามที่เราเคยบ้าเคยเมาต่อไปถ้าที่เรามีใจอยู่ณ ว, วันนี้หากมันยังไม่ตายเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่รักษาใจาของเราให้ผองใสทาตามดีให้มากกอบกลัวดีให้เยอะอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สามารถจะทําให้เรามีความสุขในเบ่งหน้าได้เราจะทํา การให้เป็นสุขเราก็จะให้รักษาสิงมีคามสุขเราก็จะรักษาสิ่งที่เกิดคามสุขกามสงบัึงใจให้เกิดคามสุข เ, เ, เราก็จะทําให้มากเราคิดพิจารณาขึ้นเดยต่อที่องค์พระอุทธศาสน์พุทธเจ้าตรัสสอนถ้าพิสุขทั้งหลายหรือแม้บุคคลทั้งหลายให้จงตาเป็นอรัตน์อย่างไรเราก็จะนํามาปฏิบัติอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดเหมือนท่านวันเดียวั น, วนคืนล่วงไปเราก็จะจับตักใจอยู่เพียงแค่นี้ การชีวิตที่เป็นไปเราต้งเจอะ เ, เจออะไรก็ยอมรับกันวาเออเรามันโง่ไปแล้วโง่ที่ต้องมาโวยผลของกันแล้วเราจะบริโภคอาหารเราคิดเอที่ว่าไอของอร่อไรของเราแบบเนี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เขาขาดออกมาแล้วเลือกภาพมันดูดิลลงไหของที่เทวดาก็นมองมันกของที่มันขาดออกมาจากน้ำลายหปากของท่านนะแล้วก็เล่นเงนลงกันไป แล้วเขาก็จดโกยเมายามันกินใหญ่เลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนั้ออนอร่อยเขาก็บอกมอมาอย่างเจ้าอืมอืมน่าเห็นใจอืมน่าสงสารจับใจะนะคิดอย่างนี้บ้างนะเราจะรู้สึกว่าการกินก็ไม่โดดเป็นสำคัญกินเพียงแค่รลลับระนับทุกข์เคยโหยธนา จึงเพื่อยังให้อยู่ได้ไม่เป็นสุขเสียแทงจึงก็เลือกกินในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในร่างกายเพื่อจิดใจของเราจะได้ไม่เกิดกันเสียแพงมากเกินไปถ้าเราสามารถจะเป็นคนที่เลือกว่ารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่อย่างนี้มันไม่มีความจำเป็นมากนะบรรเทาใจเดนยวไหมลดความกาังวลลดความวุ่นวายเราจะไปตกแต่งพอสมควรจรึงกะพอสมควร จะพาอาศัยก็ใสมันพอสมควรแล้วจะไปซื้อมันเป็นแพงอะไรก็แพยยทงทุกอย่างดี ท, งทุกอย่างท่านทุกว่าดีเรานึกภาดนี้เอาแล้ ว, ลว ก, กันว่าตัวดาเขาไปคิดยังไงกันเราพ่อแม่เราจะสงสารเราไหมเอ๋นึกถึงภาพนี้ด้วยตั้มนะจะ้าโอ้ลูกเราเนี่นะทาตัวมันมันอะไรเราจะเราจะทำตัวเองจะเหมือนอะไรดีเนาะ ไอ้ไปคิดีกว่านะอ่าอาว่คิดเองก่นนะเป็นนะลองนึกเอาดูนล้วพยายามคิดตรงนี้บ่อๆนะถ้ามีอารมณ์คิดกปพยายามเราก็จะเห็นการติงชัดมันดูขณะการเดือดเทือดการตัดขินใจโดยมุ่งเกิดลังเลยสงสัยนี่แค่ตามดูยวเล็กน้อยเข้าจะเป็นเพดานลังฟ้าได้แล้วถ้าคารดูของเราเยอะมากกว่านี้ล่ะลองคิดซิ เทวดามังซายมีทุกไหมยังมีความทุกมีความเศร้าหมองไหมยังมีความเศร้าหมองเพราะว่าความคิดของท่านมันมีความเพยโยทยานอยากอยู่ยังมีความปรารถนาที่ไม่เป็นดังใจของท่านมีอยู่เพราะว่าเขาจะปรารถนาให้ลูกหลานของท่านคนที่ท่ารักที่ยังใม้ตาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่เป็นดังใจท่านท่านก็ต้องเหน่อยสุดไม่สบายใจเศร้าหมองแต่มันก็ไม่ดิบขั้นต่ม แม้กระทั่งปตาสมาที่หยอกกัได้มีทัพสมบัติที่เูงส่ อ, อยู่เหมือนใจของอีกคนเขาก็ทำให้ทางสมองและแรงอกเสและกรรมมันก็จะมาดามดามอวัยวะที่ใกล้จะหมดบนนุญในทางมองหนักเจริญจะทุกข์หนั ก, กอวัยวะที่ใกล้จะปุบติตอนนั้นแรงกรรมมันจะเบิดคั่นทุกอย่างอยู่คั่นให้คิดอยู่ันให้กระสักระจาย เกิดข้าให้เกิดตามตาพันนาตามเทวปยานอย่างแรงก้าเกิดข้านุก็ต้องไปไปเกิดหลุดจเทวดาเลื่อนมาใส่จักนรกก้นเยอะหลุดจากเทวดานังฟ้าไปเป็นโจรเยอะไปเป็นสัตว์โยธามก็มากนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าเขานี่คิดดีแล้วตาพนาดีแล้วตั้งใจมากเลยก็จะไปเกิดแรงกรรมบังคับแล้วบางคนก็ต้องถูกร่อโดยแบบนี้ถ้าเล่าสั่งสิ่งไม่ดูมันจะลงมาเกิดไหม มันไม่มามล่อมันหลอกกันไว้หลอกนะจรมันหลอกให้เราได้เห็นว่านั่นคือยอดปสานั่นเราจะเกิดจะมีความสุขมากเป็นลูกพลาชาล์ลกพลาชาล์จะได้ปกครองเราจะได้มีอ้นันไอนี้เยอะยะเกิดพอพุ่งลงไปป๊นั่นระยะกองฟางนั่นนายเกิอยู่ข้างๆเตวมนั่นละแม่กูนั่นละพ่อโูอยู่นี่อ้ะไปเจออะไร ไม่ทำไมเรามีหางทาไมเราต้องมีปากืยิ้มๆอย่างนี้ทํามต้อส่งเสียงร้องแบบนี้ทํามเราทุกมาปั๊บเป็นโคโคกระโเอกระโเผกระโเผอย่างนั้นตาเราเป็นตัวอะไรจังไม่เอาเรืาาา่องตาลางใจก็เป็นอย่างนี้มากจัดมากเยอะแยะท่านจำทุกของท่านม yeah, ีเยอะทุกโดยเฉพาะอย่างนี้ไอ้ทุกข์ิจกรรมที่ตมม้องมใกล้จุดติบงองค์พระเดียเศ้าหมองมากเท่ไ่ หรือว่าตายคายต้องลงนรกเดี๋ยวร้อนใจมากเลยมันมีแรงตามเล่าร้อนใจมันดึงมันมอยนะ่างนั้นพอถ้าเราล้าทุกมันเคลืนไปนรกเลยก็กยกจะรับเพื่อเกิดเป็นนานานรกอีกอน่ากลัวไหมการเป็นเพื่อนานาช้าก็ยังน่ากลัว อ, อยู่นะใช่ไหมนั้นไม่ใช้การตกที่เราต้องการถึงท่านจะเสียถึงท่านจะมีความตมกดูต่อบรรดก็จึง แต่เรามีทางเลือกอยู่แบบ น, นี้ยังมีซื่ อ, อพระพุทธ เ, เ, เจ้าจงให้เราได้เห็นให้เราได้ใจให้เราได้ไปแล้วก็เราได้อยู่อาศัยเทวดาความรผ่านน์องคตพระพุทธเจ้ามารมมาสตาดาตกล่าวว่าเคยทั้งหลายจงอยาอยู่ตามพอใจกับความเป็นมนุษย์นะว่าไอเห็นไหมมันต้องเป็นดีเลยแล้วก็ตัดตามต่ใจควรตัดตามพอใ จ, อ ใ, จใ น, ใจ ก, ดาดนาการเป็นโทดานางฟ้าเห็นั้นมันไม่ดีเลย ไม่เชือ่อถือตลอดเวลาใช่ไหมไม่ยังมีความกังวลมีความปาดชนาอยู่ตลอดเวลายังมีความกระตับกระต่ว่าถึงเวลาต้องจิตติจะทํำยังไงแล้วบางท่านก็มไม่คิดว่าตัวเองจะจบบิตติพอตกลงไปจะพลาดอยูแล้วตั้งท่าไม่ทันไอ้อย่างพวกเธอเนี่ยตั้งท่าทันทันแล้วเนี่ยนะยังมองว่านั่นแบบประดาหลอดเลือดนะยังมีอยู่โอ้โหจะได้เกิดในกองตรง น, นั้นกองตรงนี้ที่นั่งที่นี่ หลอกเราทัศเดดเห็นไหมอ่านี่เราก็เจอมาแล้วนะแต่ยังโชคดีที่ไม่พลาดลงมาลบใจซะ ก, ก, ก่อนต้องก็บอกาว่านั้นจะพรจะทรงอยู่ในควาสมสงบแต่ก็ยังมีความทุกข์ทุกข์ใจก็ต้องพยายามทำควาสมสงบตลอดเวลาอ่เพราะถ้าไม่ทำก็จะวัง ข, ขาบความสุขไปฮะ จะไปพักผ่อนอ่งเอ็นเล่นเรองจับเล่นเร่เรงเมือย่างเชานางฟ้าก็ไม่กล้าไปทำกวชันตกนะฮะจะทุกไหมก็เป็นทุกข์อยนั่นได้ได้นานแค่ไหลถึงเวลาแรงกมมันมันก็เข้าไปบีบคั้นชังก็อ่อนสมาธิก็หมดพอสมาธิก็หมดมันก็ถูกแรงกรมมันตรงตั้งแรงกรรมตรงตั้งแล้่าต้งเกิดที่นั่นดีกิที่มี่โดยที่เมืองกลางถนก็พุ่งไปที่เป็นหมาล้ก็เยอะนะลมอ่ะเยะ จะลมาลบกันเยอะแยะเปรมมาลบเปรมเนี่ยะไม่ใช่ว่าพระเปรมจะายลวมาเปรมมาลบอย่างเดียวนะเนี่ไม่มากมากมนักเท่าไหร่หรอกที่ท่านเน่ยไม่ประมาทแล้วท่านก็ปฏิบัติขึ้นไปถึงพระนิพพานงั้นเป็นอย่างต้องถามประการจะมาลบชะโลกโดยโลและมมาลบตัดตามพอใจได้ไหมตัดตามพอใจตัดตามยินดูที่จะมาเป็นสุขจับล เราะเาตัดขาดมือทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างถึงเวลาที่เราจะต้องตายกันโดยทั้งหลายที่เคยได้ทำมนทุกอย่างความไปอันขันขอพระนิพพานเป็นที่ไปชาตินี้ขอทําทั้งหลายที่พราะ้งจลายจะลดแล้วถ้าอรมั์ทั้งหลายจรลดแล้วขอให้เราได้บรรลุทำในภาพนี้ถึงตามเป็นพระอรหันต์ในภาพนี้ตายถึงนิพพานภาพนี้แล้วก็เน้นใจของเราเป็นอารมณ์โดยเพียงแค่นี้ทำมันไป รว่างมีชีวิตอยู่เราคิดว่ามันไร้สาระเราจะเอาใจะปกับเรื่องนั้นทำไมอยากเรื่องนี้เพื่ออะไรแค่อยู่บำรุงร่างกายก็บำรุงมันไปเรากัลยาก์จะระงับทุกขเวทนาที่จร ag э ิงนี่มันสบายใจไหมสบายจะเอาใจกัยาณ์ไม่รักษาไม่รักษาแล้วก็จบทรมานไปทำไมจบมถ้ารักาไม่ได้มันอยากตายดีดีตายก็ตายไปฉันจะได้พ้นมันสักที อย่างใดที่เรามีตามเสรมองก็เออนี่แหละมันเป็นพราะแรงกรรมที่เ้าเคยโง่ถ้าเราไม่โง่ตอนนี้เราคงนอนสบายได้นะเขาก็ตัดสินใจตามนี้สิในะเวลานี้สองข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายหมดตามยินยัแล้วในด่านที่สามประการเขบราบารมีองคะเดชพระพิชิตมานรมารดาจดาสัมมาสมพุทธเจ้าได้เกิดยกจิตของข้าพพุทธเจ้าไปในที่ที่ อ, องค์ทรงประทับอยู่ ่พระสีนาสเจา้าโดยพระอารหาันทั้งหลายก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขขอให้ขา พ, พุธกธเจ้าได้มีโอกาสถึงซึ่งพระพุธานและการระบัดอย่นี้โดยเทิญในผู้ใดเห็นได้แล้วก็เห็นชัด เห็นว่าเราก็มาดังคิดมากมาจักงกังวลใจให้รู้สึกว่เราตัดใจแล้วเราไม่มีเยื่อใยในคามเป็นมนุษย์แล้วจะตายตอนนี้ตอนไหนจะเห็นไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วเพราะที่สําคัญที่สุดคือเราตัดใจแล้วเราไม่มีอารมณ์ใจเหลืออยู่เยื่อใยที่ต้องการเป็นมนุษย์ติกต่อไปแล้วตรงนี้เราหมดสิ้นในหัวใจเราแล้วถ้าสมาธิสองเราพอดีภาพก็จะปรากฏให้เราได้เห็น เพราะเวลานี้พระองค์ไม่ตาสังกตเ้าได้เราคงได้เห็นภาพพระเกลียนจันสายการความเป็นจริงเป็นอัตราไอ้เระเ้าจงอนุญาตนาบารมีองค์พระพุทธศาสนาสังคุตตะทุกทพระองค์เมตเดชองกระธรรมาลาตร์ะได้เป็นประธานประทับจิตนณเบื้องหน้าของเราเพระพรเจ้ากุกพระองค์เมตสดชพ่อพระสมมาณครดัป็นชี้ ขอได้เกิดเปรากรดสงเคราะห์เก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดแปเกิดตัวฆ่าแล้วขอเป็นอนุปัฏฐาพระบารมีพระปะโกกัตพุทธเจ้าทุกุพระองค์ที่เมตตาสงเคราะห์เก่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าอรหันทุกทุกพระองค์มีพระเดชกุลหลวงพ่อพระโพธิมายานเป็นที่สุดพระโพธิปัจจเจ้าทั้งหลายที่มีเดิมบารมีมากมีนักปานเป็นที่สุด ถ้าพรมวเจอาดานางฟ้าทั้งหลายมีท่านโตสัมปดีพลมท่านเปโตรพินท่ันยาทังกลามีทันท้นทาจ า, าเโตมหาราชทั้งสี่เจ้าดานางฟ้าทุกตรองพิพรม ท, ทุกท่านที่เป็นบิดาและมารดาของข้าพเจ้า เจ้าด่านังฟทั้งหลายที่มีทุกคุกับข้าไเจ้าทั่วสากลละิีพบข้าพุทธเจ้าก่อนน้อมกราบประการณบูชาที่ทรงมีทั้งเมตตาแต่ข้าพุทธเจ้ า, า, จาทั้งหลายให้ดูมีความเข้าใจเกิดปัญญายามอย่างน้อยทั้งความทุกข์ทั้งไหยที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์เป็นอย่างแจ้ ง, งข้าพุทธเจ้าจะไม่ลังเลแมะสงสัยในความเป็นมนุษย์อีกต่อไป ทุกวินาทีที่อยู่เวลานี้จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าจะตอบแทนพระคุณ ข, ขององค์เสาด็จพ ร, ระสัตรัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่กําลังกายกําลังใจกําลังทัพย์จะพึงนี้จะใช้ชีวิตทุกเวลาอย่าได้ทำให้ประมาทจะคิดเพีนเดียวที่องค์เสน็จพระบาลมโล ก, กนาท ร, รงตรัสสอนข้อกาลังขององค์เสด็จพระชิน น, นวรมารมณ์สดาทรงโปรดพระเมตตา ขออนาุญาตเห็นสัจิยาชิตาในข้าพระองค์ที่ตั้งใจกระทำบนบรารมีมาตั้งแต่ตดีจชาติมาจนถึงปัาาจจุบันชาติเจ้าอารมตัวกันขอให้ทำทั้งหลายที่เป็นเครื่องค้นทุกจงได้ามาปรากฏเจะกหม่อมฉันทำที่พระเจ้าองค์ทรงได้เห็นแล้วทำที่พระอาหารทั้งหลายได้ถึงแล้วเห็นแล้วบรรลุแล้วขอให้กำหม่อมฉันได้บรรลุทำนั้นเห็นทำนั้นในภาพนี้ อย่างง่ายดายโดยฉับพันทัทีได้เท่นและขอให้ชีวิของข้าพุทธเจ้าที่ยังมีชีวิตลมหายใจ อ, อยู่ขอรับการคุ้มครองปกป้องรักษาจากอานาจแห่งพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังขานุภาพพระเจ ว, ว า, านุภาพโดยเฉพาะอานาจแห่งยันเกรเาะเพชรจองเศษพระสงป์สกัด ต, ตูโตภผ้าส่งเป็นประธานขออำนาจยันเกราะเพชรจงแผ่กระจาย ข้างขวามไม่มีประมาณพัดใยแก้าสว่างสวัยครอบคุมกายใจของข้าพุทธเจ้าขออเขาอำนาจแห่งยันเกาะเพชรที่สว่างสวยบุจเจ้าประกายมีอำนาจแผ่คมปกป้องคุ้มครองรักษาข้าพุทธเจ้าทั้งกายและใจตลอดอเวลาเขาเทวดารักษาด้วยสดเมตตาคุ้มครองให้เกิดอานุภาพปกป้องทุกสิ่งทุกอย่าง ตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระจักวาจาอธิษฐานแาพราดังผู้กระดาอาจารย์ทั้งหลายมีนักปู่ตานและมานงโคลก็เดี๋ยวไปุณหวงพ่อเมตตาจึงได้ปรากฏผลสมบูรณ์แล้วก็เบิกเด่นใาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายนับแต่บัดนี้ตนต้นใจจนถึงจะเป็นอายุไขขออนุญาตยืนยันก่อนที่ข้าพุทธเจ้าตั้งใจโดยชาในฤทธมุถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะติดตัวด้ เป็นจะ่เสมมุติทั้งหลายก็ดีจะศึะะรกระณฑิตไว้ในกำหม่อมของข้าพระพุทธเจ้าก็ตามที่ข้าพระเจ้าได้เคยมีโอกาสรั บ, บกันขอเพทก็ดีขอความดีและกรงยังพุทธบรารมีของพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นใหญ่แก้วทีาา่ถักฐานคอบคุมรักษา อันเป็นกำลังหรือเป็นกำแพงของอยันกรอบเพชรครอบคลุมห้อมล้อมกายและใจของข้าพุทธเจ้าไว้ไม่ขาดสายเมื่อหลับเมื่อเราจะตื่นเมื่อประตุกกาหนดใจรู้ก็ดีเมื่อรู้ก็ดีเพรว่าข้าพเจ้าใจประเจนประดิษฐใบก็ตามข อ, อยท่งลาลานีน้จนได้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาด้วยอา น, นาของเทวดาที่มีอนุภาพในช่านท้าจากโตุมารลทั้งสี่เป็นใหญ่ พระเจวดานางฟ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาค่าพพุทธเจ้าขอได้เจรับรู้ในสัตติยาที่ฐานแห่งข้าพระองค์ขอได้แตดเมตตาสงเคราะห์เป็นไปตามเช่นนั้นด้วยเถิดแล้ก็น้อมใจขารกราบขอพระคุณทุกๆท่านที่เมตตาสงเคราะห์นะแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษหากึิ่งใดที่ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลาย คิก็ดีพูดก็ดีทําก็ดีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันทําให้สิ่งที่ข้าพุ เ, เจ้ารักและเคารพเลื่อมใสที่ทั้งมีาตาความดีจะเข้าไเจ้าตลอดมาต้องรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายทําให้เกิดตำ ม, ม่ควรกับตัวคนที่ควงจะต้องกระทาที่มีคนอันยิ่งใหญ่หากจะเกิดโทษเกิดภัยสิ่งใดแต่ข้าพุทธเจ้าเป็นเครื่องขัดขวางการทําความดี ไหลไปขอพระองค์จรงโปรดเมตตาให้สิ่งนี้ได้มาลายหายใจข้าพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอขมาลาโทศทัานพ่อทา่านแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคมเจวานเพื่อสากรและพิเภกขอขมาลาโทษแต่ท่านทุกเป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายไม่ว่าเป็นเจวิตามจุดเจดกเดีขขเจวยตรามจุดขขเจด ก, กดียขอท่านจุดพองค์ จะเด็ดแต่ทษให้แ่ข้าของพิจานับแต่บัดนี้กราเท้าของข้าของพิะจาเข้าถึงซุ้งพระในพ า, านให้ข้าัปกระบันด้วยเทนเอาละจาบลาพระแทนนะวันนู้ก็เอากันแค่นี้นะอันนี้ ชื่อป็นกุศลตาขึ้นไปนะอิทางบัญญาพลังเป็นมาบนใดที่ข้าพเ จ, จ้าทั้งหลายได้จำเพงแล้วได้โอกาสนี้ขเขาโอชิสุโกรตอนนี้ให้ใส่เตกรรในเวรทั้งหลายขอท่านจะเปิดเมต น, นาอโหสิ ก, กรรม ให้แก่พระปราชญ์ทั้งหลายตั้งณฑ์บัดนี้ตราบเท้าเข้าศึกพระวิภานและขอที่สุน陀ตนี้ให้แก่เทวดเจ้าทั้งหลายทูตปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทวดาเจ้าทั้งหลายเต้าสากลนละทุพภะและพยาเยมาราขอเทวเจ้าทั้งหลาย ญยาตยิญาติโยมร า, ามษฎร์ไปสดโมทนาไปสดเป็นสักดิสิทธิพยานในการบรรพึกุศลของข้าพาเจ้าในครั้งนี้ด้วยโิษและขอทุ่ส่กุศลนี้ให้แต่ท่านทั้งหลายที่สบายความสุขอยู่ก็ดีสเสบายความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นยากก็ดี ยุติยากจะดีขอท่านทั้งหลายจงหมธนาเพื่อนรับประโยชน์ความสุขเชียขอขอ่ยวกับข้าพเจ้าจะเป็่อนีรับในการระบาดยวนี้เทเป็นระเบนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ดเพ็นแล้วณโอกาสนี้ขอเป็นระเบนนี้จงแจนปัดใจ ให้ข้าพเจ้าทาาั้งหลายได้เข้าถึงเึ่นพระนิพพานในชาติปัจจุบมมันดโดยเทนอรหังสัมมาสัมพุโทโธพรกสวาสดิทานพระวันตามอภิวาเทมเว่าข้าตโตกระวัตาสมโ ม, ม อันมังมามาต้า a ามิตุสัตตุคันโนะสกวาโตะวะกัสังโคตังขังนักมามิวัชมาตุกุณนะ